ตอนตอบคำถามธรรมะวันที่18ตุลาคม2557ก็กล่าวมาเมั่การพระคุณเจ้าสังเนนคุณไม่ชีการยมิตรทุกคนนะก็วันเสาร์อีกแล้วผู้ครูกำลังหาคนขึ้นหน้าหนึ่งใครสนใจยกมือขึ้นนะไม่มีใครสนใจเหรอฮนะ คนที่ชอบถามบ่อยๆน่าจะออกมาขึ้นหน้าหนึ่งจะได้ถามให้ทุกคนได้ยินบางทีไม่ตอบก็น้อยใจก็พระครูจะเพิ่มเติมน่าจะเป็นเมื่อคืนนอะหรือเมื่อคืนก่อนที่พระครูใช้หมอยาที่เขาปฏิบัติโยคะคือ หลายคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่มาถามพุ๊กว่าเราปฏิบัติทำไมเราเหวี่ยงเราเต้นมันได้อะไรมันจะเกิดปัญญาตรงไหนนะแล้วนี้เป็นคำถามที่ดีมากซึ่งมันมันไม่น่าเป็นไปได้ถ้าเอาความเคยชินเราเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตถูกส่งไปเรียนหนังสือกว่าจะเรียนรู้เนี่ยท่องจำเข้าห้องสมุด ค้นคว้าวิจัยนะกว่าจะเกิดความรู้ต้องมีการกระทาเนี่ยต้องต้องมุ่งมั่นใช่ไหมต้องต้องต้องเรียนรู้แต่อ้นนี้เนี่ยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยบางทีถามก็บอกเบี่ยงทิ้งเบี่ยงทิ้งแล้วมันจะรู้อะไรใ่ ห, หลายคนไม่ไม่อยากจะมาคุยกับพ่อครูเพราะรู้คำตอบอยู่แล้ว ก็เลยชอบไปรบกวนครูบาอาจารย์ไปนิมนต์ธรรมเทศให้ฟังนี่นี่คือเป็นนิสัยปกติของคนไทยพวกครูเคยเล่าให้ฟังนะพวกครูอยู่ที่นี่เป็นทาศานยี่สิบปีไม่ไปไหนเลยพอปีที่ยี่สิบบอกถึงเวลาแล้วบ่าแก้วคิดไปมุ่งไปอินเดียก่อนไปประเทศแม่ของพุทธศาสนาไปตามรอยพระพุทธเจ้า พอหลักเขาก็พาไปสี่จังหวัดอะไรเสร็จแล้วเนี่ยวันสุดท้ายเขากลับพวกกูไปกลับพวกกูก็เลยไปรีสอร์ทแห่งหนึ่งกไไ็ไม่ไม่ควรจะเอ่ยชื่อเขาดีกว่านะพวกกูไปอยู่ที่นั่นสามวันไปปุ๊บลงทะเบียนค่าลงทะเบียนแพงมากแล้วก็ให้ปีหนึ่งค่าพักโรงแรมก็แพงมากห้ามใช้มือถือ แล้วก็ให้ปฏิบัติไหมไม่แต่ละวันต้องจ่ายค่าตั๋วเข้าปฏิบัติซื้อตั๋วแล้วให้ปฏิบัติไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าสองชุดชุดแดงกับชุดขาวก็ปฏิบัติถ้าจะถามอะไรพุ๊บไปจองลงทะเบียนจองปรึกษาต้องเสียตังค์อีก คนไทยเราไม่ถามเมถามเมาคิดว่ามันไม่ต้องจ่ายตังค์นะเราไม่ชอบหาคําตอบเองเลยเราวมิสัยเราเนี่ยเจ้าถามถามถามก็มันติดอัดอ่ะไม่รู้แล้วมันนอนไม่หลับพอถามพอตอบวันนี้โอ้ดีใจนอนหลับแล้วพรุ่นี้เอาใหม่อีกเพราะไอเพราะไอตัวอยากรู้เนี่ยมันแรงขึ้นทุกวันเพราะเราให้อาหารมันนะแต่คนตะวันตกไม่นะเขาไม่จําเป็นเขาไม่เอ่ยปากเลย นะเขาต้องพุ่งตนเองเขาต้องหาตัวเองจนจนว่ามันจำเป็นจริงๆเขาเขาเรียกว่าเขาไปขวันเศร้าเสียตังค์จริงๆล้วต้องทำแบบนั้นนะเอาตั้งแต่ว่าใครจะเข้ามาในศูนย์เนี่ยตีตัวเข้ามาก่อนต้องเสียสตังค์ก่อนแล้วต่อไปใครถามปุ๊บต้องเสียค่าถาม จะได้ดักนิสัยเราเนี่ยไม่ใช่ถามถามถามังเพื่อพอถามปุ๊บรู้สึกเราพอใจชั่วงหนึ่งเนี่ยมันไมไ่อยู่กับเรานานเพราะมันไม่ใช่คําตอบที่เราพยายามปฏิบัติเพื่อหาคําตอบมันไม่ได้เกิดจากประสบการณ์เรานะถือว่าทางด้านวัตถุนิยมทุนนิยมแข่งขันเสรีเนี่ยพวกเราแพ้เ้าหมดเพราะคนตะวันตกเนี่ยเขา เขาต้องการค้นพบด้ยวยตัวเขาเองนะอันนี้ น, นี่พวกครูเนี่ไม่ได้ขี้เกียจพูดนะพวกครูพูดหลายปีมายี่สิบห้าปีจนทุกวันนี้เสียงมันจะไม่มีแล้วยินดีให้ถ้าสิ่งที่ให้แล้วนี่เราก้าวหน้าแต่ว่าให้แล้วสุดท้ายเราเราไม่ได้อะไรเลยนะไม่จะขยะนั้นอ่ะไม่รู้จะให้ไปทําไมอันนี้ต้องเข้าใจนะก็พวอครูเราตรง น, นี้ให้ฟังวันนั้นแหละคือ วัฒ น, นธรรมเขาอย่างคนตะ ว, วันตกนี่คนแก่ล้มลงไปเราจะไปช่วยเขาเราต้องขออนุญาตเขาเดยนะเม y h e ฮ p ยุ u ผมช่วยคุณได้ไหมไม่ใช่จะไปช่วยเลยนะถ้าเขาบอกโนอย่าไปแต่นะนี่นม่คือนิสัยของไงเขาพยายามจะพึ่งตนเองช่วยตัวเองนะถึงว่าในแง่วิทยาศาสตร์เขาทำอะไรเนี่ยเขาก็เก่งกว่าเราเพราะเป็น เป็นข้อมูลที่เขาเอาไปสังเข้าด้วยตัวเขาเองเขาได้คาตอบด้วยตัวเขาเองอันนี้เป็นของแท้แต่บ้านเราเนี่ยความมักง่ายนะยังหาเงินหาเงินไม่มีเวลาปฏิบัติก็เอาเงินไปซื้อบุญซื้อบุญซื้อบุญสะดวกดีนะอย่างนี้เศรษฐีก็ไม่ตกเรองโลกสิแล้วเป็นแบบนี้อยากรู้อะไรก็ถามถามถามถามถามมันทุกเรื่องอย่างงี้นะ มันมันไม่ใช่ความรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากเราสั่งข้อเองมันเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้ปุ๊บมันก็หายไปนะอันนี้ต้องต้องฝืนตัวเองหน่อยนึงเออต้องฝืนตัวเองหน่อยนึงนะฝืนกิเลสตัวเองนะอันนี้อันนี้นี่ก็เล่าให้ฟังว่าเออบางทีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่างๆบางทีก็ไปนั่งน้อย ใ, ใจนั่งอะไรคนอื่นถามตอบฉันถามไปตอบอะไรนี่นะ บอกคำหนึ่งนะถ้าศรัท ธ, ธามีคำด่ากลายเป็นคำสอนถ้าศรัท ธ, ธาหมดคำสอนกลายเป็นคำด่าแล้วเราก็คิดน้อยใจไม่คิดเฉยๆแล้วก็พูดพูดพูด พ, ดพดสร้างวัตถีกรรมด้วยมีขาดทุนทุกวันนะบางทีเองบางคนทำอะไรไม่ถูกต้องทุกวันแล้วก็ไปบ่นว่าถูกว่าทุกวันแล้วมันควรว่าทุกวันเพราะเราทำผิดทุกวันเนาะ มีแตก ค, คิดคิดคิดแต่เ่องไม่มีสาระไม่เอานะเสียเวลาชีวิตเราก็เราจะทำความดีก็ทำทำอย่างตั้งมั่นทำอย่างมีความสุขไม่ต้องบ่นก็เคยหลายปีก่อนมีพยาบาลมาที่นี่เขาติดสะอาดมากกวาด ส, สาราถูสาราถูไปด้วยบ่นไปด้วยไอ้คนพวกนี้มีโอกาสอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เราไม่รู้จักทา ก็ถูก็ถูไปยังบนอีกเห็นไหมอันนี้ทําบุญต่างบุญมันไม่ได้บุญแม้แต่น้อยเลยที่ทําไปหมดเนี่ยสูญเปล่าแล้วขาดทุนด้วยสร้างวัฏจีกรรมเราไม่ได้ให้จริงๆถ้าเราให้จริงๆเราไม่ต้องไปหาสาเหตุว่ามันเปื้อนเพราะอะไรต้องขอบคุณคนที่เขาทําให้มันเปื้อนถ้ามันไม่เปื้อนมันจะสะอาดเหรออันนี้แหละทํำๆๆแล้วก็บ่นไปเรื่อยๆอยนะกวาดใบไม้กวาดไปกว า, ไปวาดมาก็ไปด่าใบไม้ สมใช้ด่าว่ามึงถ้าไม่ตกมาไ ม, ไม่ไม่หยุดเลยกูกว่าจะไม่เสร็จแล้วลงมาใหม่อีกด่าต้นไม้อีกด่าเสาไฟอีกเนี่ยวันนั้นเมื่อครัวา ม, มาฟ้องพวกกู ล, ละมีคนบ้าอยู่ในศูนย์คนหนึ่งพวกกูวอาเฮ้ ö, ช่านเธอะขนาดมาแมลงก็ยังกลัวเลยอย่าว่าใบใบใบแล้วจะให้ยังไงล่ะอดี้รักนะเป็นห่วงนะถึงขยันพูดพวกกูเลื่อที่จะพูดแล้วนะ ว่าไปกวาดมาก็ ไ, ดไปดไ่าใบไม้เออแม่ครัวมันยืนดูมันงงเนี่ยเออมันมีคนบ้าอยู่ในศูนย์คนหนึ่ง <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรบ้าบ้าบอหน่อยหนึ่งยาอย่าให้คนอื่นเขามองเราเป็นบ้าดีไหมในาการทุบคนอื่นอย่าไปยุ่งกับคนอื่นไม่ได้ว่าอะไรนะก็ถึงจุดนี้มันมีคําถามหนึ่งมีคําถามหนึ่ง เออเชื่อได้ด้วยว่าคนคนที่ไปถามพ่อครูเพราะมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่พ่อครูพูดอันนี้ธรรมดาเป็นคําถามสุดท้ายนะแต่พ่อครูเอาขึ้นก่อนที่พ่อครูเคยบอกว่าพ่อครูให้เกียรติเฉพาะคนซึ่งมีเกียรติมันถูกต้องหรือมันขัดแย้งกับสิ่งที่พ่อครูทำพ่อครูเมตตาตลอดแล้วทำไมบอกว่าพ่อครูให้เกียรติเฉพาะคนซึ่งมีเกียรติเขาเข้าใจผิดนะคําว่าให้เกียรติกับให้โอกาส มันคน ล, cat, surprise, een, ละเรื่องพวกครูให้โอกาสทุกคนแม้กระทั่งเป็ดอสุรกายมาอยู่กับพวกครูพวกครูก็ให้โอกาสมันแต่ถ้าพวกครูให้โอกาสแล้วเนี่ยเขาไม่ถือโอกาสนั้นเปลี่ยนตัวเองยังยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลยเนี่ยพวกครูทําไมต้องให้เกียจเขาเขาไม่รู้จักว่าเกียจมันคืออะไรเขาก็ไม่นัดถือเขาไม่ต้องเกรงใจสถานที่เลยเนี่ยคนไม่เกลียจคนไม่มีเกลียจอย่างนี้เราให้เกียดเขาเขก็ไม่รู้แต่พวกครูให้โอกาสทุกคน คำว่าให้โอกาสกับให้เกียรติคนละเรื่องนะและคำว่าให้เกียรติเนี่ยส่วนมากไปเข้าใจว่าต้องคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีตำแหน่งหน้าที่มันไม่เกีย่ยวคำว่าให้เกียรติคนนั้นคนมีเกียรติน่ะไม่ใช่คนรวยหรือคนจนเพราคุณให้เกียรติในความตั้งมั่นคนคนที่มีเกียรติก็คือว่าคนที่พยายาม ทำความดีละความชั่วขัดแกวจิตให้ผ่องใสบางคนมีสตังเยอะมากแล้วธุระไม่ใช่เห็นแก่ตัวอะไรๆเนี่ยคนแบบนี้พวกคุไม่ได้ให้เกียรติแต่พวกคุไม่ได้ยุ่งกับเขาพวกคุไม่ได้ด่าเขาคนแบบนี้ไม่มีเกียรติแล้วจะให้เกียรติทําไมอย่าไปมองทนมองว่าพวกคุเอ๊ะแสดงว่าพวกคุไม่ให้เกียรติคนไม่มีเกียรติเพราะเขาเข้าใจว่าความไม่มีเกียรติคือคนจนจิตอาสาที่นี่คือคนพวกคุให้เกียรติเขาให้เกียรติมากเลย เขาไม่ต้องมีสตังค์นะเพราะกูให้เกียรติคนซึ่งมีเกียรติแต่พรากูให้โอกาสทุกคนแม้กระทั่งคนบ้า บ, า บ, าบอคนบองบองพอกู ก, ใกนะออ็ให้เกียรตินะเออให้เกียรติให้โอกาสแต่ถ้าไม่ถือไม่ใช้โอกาสนั้นเปลี่ยนตัวเองแล้วอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะคำว่าเข้ามวนตาเหลีย ว, วตาตามเนี่ยไม่ใช่เราต้องไปเหมือนกันเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นโจรเหมือนเขา แต่เรามีหน้าที่มาที่นี่ดูแลตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่ไปนสนองปัญหาตัวเองทำตามมาลมตัวเองตลอดที่พระกูบอก ว, ว่ามันขาดทุนนะหลวงพ่อชาติเน้นเรื่อยๆทำดีแต่ไม่ละชั่วมันจะไปไหนแต่หลวงปู่ดุลพูดแรงขึ้นมาอีกออละชั่วมีค่ากว่าทาดีอันนี้ทำดีทำดีก็ ก, ก็บ่นไปด้วย ไอ้ที่ทําทําอยู่นี่หายสาบศูนย์ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่พอเนี่ยคนเข้ามาฟ้องผูครูวว้เอ๊ะมีคนบ้านในศูนย์คนนึงระวังนะเราต้องมีสติในการทําอะไรก็ชั่งเราต้องอยู่เหนือสมมุตดเราต้องอิสระมากในการทํางานมันเป็นเรื่องของเราแต่ต้องมีสติอย่าทําลายสมบุติบัญญัติของสังคมเดี๋ยวพอเพิ่มผู้กูไม่อยู่เนี่ยเขาโทรตำรวจมาจับสมม่งโรงพยาบาโลโรกจิตผู้กูไม่รู้นะ คืออย่าทำอย่าทำอะไรที่มันแปลกเป็นแผงแผงเออมันมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันจะสร้างข้อกังขาให้คนอื่นเฉยๆนะทิศเราอยู่เหนือสมมติต้องอิสระเนี่ยที่มีอิสระมากเห็น ไ, ไหมพวกคุยังบอกเลยปล่อยวางหัวขนชั่วข่าวแต่จะรู้ ก, กาลเทสะบางทีไม่เข้าใจว่าเอ๊พะพวกคุยก็บอกว่าปล่อยเต็มที่เลยนะนะแล้วทําไมมากลับคําเวลาปล่อยเต็มที่ก็มาว่าเห็น ไ, ไหมอย่างนี้ พอเราละลุกชาติในอดีตว่าขันกำลังฆ่าคนเนี่ยเราก็วิ่งไปฟันฟันคนนั้นเลยก็ปล่อยให้เต็มที่แบบนั้นเหรอเราต้องรู้กาลเทสะช่วงเวลาไหนควรจะทำอะไรอันนี้ยาบมากเนี่ในแง่การละเทษะเป็นเรื่องโลกิยะเรื่องทางโลกแค่เรื่องทางโลกแค่นี้เรื่องมารยาทแค่นี้เราก็สอบตกแล้วแล้วเราจะจะเริ่มทำได้อย่างไรอันนี้ต้องเข้าใจนะ ไม่เนียนเป็นจะไปคิดอะไรเพิ่มเติมครูบาอาจารย์พูดอะไรเราเข้าใจปุ๊บโอเคก็เข้าใจแล้วก็วางในที่ไม่เข้าใจซะไม่เข้าใจปุ๊บก็วียนทิ้งไม่ใช่ไปยั้งคิดยั้งทำแล้วก็ออกกับใครไม่ได้เขาไปออกกับใบไม้ออกต้นไม้ออกกระสอบไฟ้าออกไก่ไม่กวาดได้แหละนะเขามาฟังเขาคุยจริงๆนะเขายนแล้วเขาบอกเ้างงเออกวาดก็กวาดไปสินะระวังนะ มันไม่ใช่เรื่องที่ทําเล่นๆ น, นะเราทําบ่อยๆแล้วเราจะเกิดเป็นนิสัยนะใครๆว่าเราก็เรามาเปลี่ยนนิสัยเราทุกคนมีปัญหาหมดและนะไม่มีใครไม่แต่หนึ่งคนขึ้นที่ปัญหาเกิดมาวันแรกก็แหกปากร้องละตอนนี้ก็มีน้องๆเยาวชนที่มาใหม่มุ่งมั่นมากเมื่อเช้าก็เดินไปหาพวกคูพวกคูหนูจะเป็นบ้าไหม เพราะคุณบอกเป็นทุกคนหลุดมันบ้ามาเกิดมันเป็นหมดอ่ะมันมันบ้ามันหลงมาเกิดมันบ้าหมดมันถึงร้องไห้ไงเรากาลังจะเอาความบ้าออกไม่ใช่ไปกดความบ้าไว้แต่การเอาความบ้าออกเนี่ยต้องรู้กาละเทยาต้องเป็นไปตามเหตุและปัจจัยที่มันสมควรอย่ว่าอยู่ข้างนอกศาลานะแม้กระทั่งศาลา ชั่วโมงไหนเวลาไหนควรจะทําอะไรเนี่ยอย่าแปลกแกยกกับคนอื่นเขามากนายนะักหรือเราอยากจะเด่นเหรอดีเด่นดังแล้วมันก็ดับนะเอามาปฏิบัติเพื่อจะลดล่าเลิกไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะเราอยู่กับทางโลกเนี่ยแล้วก็สู้มามากแล้วเราถึทุกข์กับมันไงมาที่นี่อย่าหอบมาด้วยนะถึงมันจะมีเราก็ฝืนมาหน่อยนึงถ้าพวกครูไม่เตือนละ่ะใครจะเตือนละ่ะยิ่งค่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่อัตตายเยอะมากใครจะพูดฉันได้เหรอ ครูวาจาย์พูดเราแทนที่จะเอดีใจและที่แก้ไขนะแล้วก็ไปบน่นเหมือนงนั้นแหละไม่มีใครบ่นก็ไปบ่นกับใบไม้นะอันนี้ถ้าไม่ชอบให้พวกครูพูดนะจากวันนี้เป็นไปไม่พูดเลยนะเออแล้วก็ให้โอกาสแล้วไม่ใช้โอกาสนี้ก็ไม่มีเหตุผลต้องอยู่ที่ศูนย์ต่อไปเพราะเราเก่งแล้วไงเออคนเก่งแล้วไม่ต้องมาอยู่ที่ศูนย์เราก็ไปเก่งอยู่ที่ไหนก็ได้ไปอิสระเสรีที่เราต้องการทําใช่ไหม หลายคนที่นี่เข้ามาที่นี่หลายปีพ่อครูเห็นมาหมดแล้วใครเป็นยังไงมีแต่เมตตามันแหละถ้าพ่อครูมักง่ายเหลยเฮ้ย hey, แก้วพิมกติกาให้พ่ครูใครผิดกติกานี้ก็โอเคเธอออกไปหมดเวลาแล้วอย่างนั้นมันง่ายไลยบริหารง่ายๆนะแต่พ่อครูไม่ชิงคนมักง่ายความเมตตาเรามันทําอย่างนั้นไม่ได้บางคนก็เบื่อะไรพรอครูหยุดให้โอกาสเขา นะพคกูให้โอกาสทุกคนนะแต่คำว่าให้เกียรติเนี่ยคนที่มันไม่รู้ว่าเกียรติคืออะไรล้าให้เกียรติมันทำไมล่ะเออมันก็ไม่รู้ไลพคกูยืนยันว่าพวกูให้เกียรติเฉพาะคนซึ่งมีเกียรติแต่ให้โอกาสทุกคนนะอันนี้ต้องต้องชัดเจนเนาะก็คำถามต่อไปการวิจัยกับความอยากรู้เหมือนหรือต่างกันอย่างไรคำถามนี้เพิ่งใหม่ๆนะ ไอการวิจัยถ้าเป็นวิจัยทางโลกเราจะพูดคาว่าทําวิจัยมีการกระทําเกิดขึ้นโดยมีเป้าประสงค์เป็นกรรมแฝงด้วยความอยากนั่นแหละแฝงเพราความอยากรู้อยากเห็นผลมันนะเกิเป็นการทําวิจัยแต่ถ้าวิจัยในทางจิตแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชง เขาวิจัยธรรมโดยที่เขาไม่มีโจทย์อะไรขึ้นมาก่อนเลยเพอเขาเขาเ้าไปในจิตปุ๊บอารมณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ดูมันเห็นไหมเขาวิจัยโดยไม่ผ่านความคิดเพราะเขาไม่ใช่อยากวิจัยหรือเขาไม่ได้ทำวิจัยนี่าเรียกว่าธรรมะวิจยะสมโพชงนะวิจัยโดยไม่ผ่านความคิดโดยไม่มีเป้าประสงค์ ที่เราดูมันดูมันดูมันเนี่ยมันทาอะไรเราก็รู้ไงรู้โดยไม่ต้องอยากรู้เอาเป็นว่าการวิจัยกับความอยากรู้เนี่ยต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเป็นวิจัยทางโลกกับความอยากรู้นี่อันเดียวกันเราอยากรู้เราถึงไปทำวิจัยเพราะเรามีผลแต่ถ้าเป็นเรื่องจิตวิญญาณล้วที่ว่าพชมเก็บเนี่ย ธ ร, รวิจยสัมโพชงเขาวิจัยตามธรรมชาติโดยไม่ผ่านความคิดโดยไม่มีโจทย์เรื่องหน้าอันนี้คือธรรมวิจยะสัมโพชงวิจัยโดยไม่มีการกระทําคําตอบสั้นๆอยู่แค่นี้การปฏิบัติวิธีนี้แก้กันได้อย่างไรคําถามนี้เนี่ยตั้งหลายปีมาถามบ่อย เมื่อคืนนี้ที่พ่อครูฉายเรื่องหมอยาเขากําลังทําโยคะอยู่ซึ่งอาจารย์อยก็ยืนยันว่าในโลกนี้คนเล่นโยคะเก่งที่สุดในโลกก็ทําแบบนี้ไม่ได้แล้วมาดูเหมือนเขาเขานิ่ม น, นวลมากนะเขานิ่มมากแต่ถ้าเราไม่เห็นจิตเขาเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงพรอครูก็เช็คว่าหมอยาเนี่ย เป็นอย่างไรเหมือนที่พระครูมองเข้าไปรู้สึกไหมตรงกันเขาบอกทุกข์มากทุกข์มากๆเลยเพราดูสีดัดตนเนี่ยเขาพยายามเน่ยจะใช้ร่างกายเนี่ยกลายเป็นดเป็นการเหมือนกับเจริญทุกทุกทุกกิริยาด้วยนะเพราะไปดัดมันดัดมันเนี่ยก่อนที่มันจะคลายอะไรเนี่ยมันก็เจ็บปวดมากแต่การแสดงออกมาข้างนอกเนี่เรามองไม่เห็นนะทีนี้ทุกข์มาก เขาต้องใช้ขันติใช้วิริยะศรัทธาตั้งมั่นเลยถ้าเขาไปคิดเรื่องอื่นเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเดือดปุ๊บขาหักแขนหักลวกเคล็ดได้ง่ายๆเห็นไหมอันนี้คือเขากําลังใช้นิกรรมเขาอย่างหนึ่งกรรมที่ในอดีตเด็สมมติเขาอยากไปนิพพานก็ดีหรือเขาต้องการให้ตัวเองแข็งแรงก็ดี เริ่อมจากความอยากเขาก็ เ, เ, เลยฝึกทรมานสังขารและอารมณรู้สึกทุกข์เขาเนี่ยมันก็บันทึกไว้แล้วเขาก็าถ่ายเทเอารมณ์นั้นน่ยมาให้จิตปัจจุบันเนี่ยรับกรรมตัวนั้นรับกรรมแล้วก็เขาก็ถ่ายเทประสบการณ์ตัวนั้นให้จิตปัจจุบันด้วยที่เราร้องไห้หัวเราะอะไรพวกนี้นะอาการพวกนี้แนหะเป็นอาการจ่ายหนี้กรรมฐางจิตถ้าเราไม่ปปฏิบัติไม่มาล้างมันออกเไง ชีวิตจริงเราพอกรรมมันถึงรอบกรรมมันมีเรื่องเงื่อนไขเวลาด้วยนะถ้าเวลายังไม่ถึงทั้งกรรมดีกรรมชั่วไม่ส่งผลแล้วมีเรื่องสถานที่ด้วยทำไมพวกเรามาเจอกันที่นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆอยมันมีเหตุของมันอยู่มีกรรมเรื่องสถานที่กรรมเรื่องเงื่อนไขเวลากรรมโดยการกระทาความประพฤตินั้นทาดีดีทาชั่วชั่วอันนี้หนีไม่พ้น ถ้าเกิดว่าเราไม่มาฝึกเราไม่มาล้างมันออกพรุ่งนี้ไอ้กรรมตัวนี้เนี่ยมันถึงเวลาวรช่มกันต้นเป็นอมาพาสมันมันรับกรรมในชีวิตจริงเราแต่ถ้าเราดีไวลเข้าไปในจิตเนี่ยถ้าเราไปถึงโปรแกรมกรรมนั้นเราจะเป็นอมาพาสในจิตวิญญาณเราก็รู้สึกทุกข์เหมือนกันเหมือนข้างนอกที่เราทุกข์นั่นแหละเรารับกรรมด้วยความรู้สึก บางคนทุกข์เพเจ็บปวดบางบางคนทุกข์เพต้องสูญเสียผิดหวังอะไรก็แล้วแต่เราต้องจ่ายนิกรรมด้วยความทุกข์กรรมดีต้องจ่ายด้วยความรู้สึกสุขเทวดากาลังรับกรรมดีอยู่แต่พระครูบอกว่าเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุขมันสุขทุกวั น, นเบื่อมากเลยไม่เสพก็ไม่ได้มันเป็นกรรมดีที่เราไปหลงติดเนี่ยทำบุญตามบุญระวังนะ ทำบุญตามบุญมันไม่ใช่บุญมันเป็นแค่กรรมดีเฉยๆต้องเสียเวลาจะเป็นเทวดาไม่รู้คิดเป็นปีๆไม่รู้เป็นพันปีกรรมดีก็ต้องรับกรรมชั่วก็ต้องรับทีนี้ถ้าเราไม่ได้รับกรรมแนะั้นเราไปเรียนรู้กับกรรมดีกรรมชัว่วเราเนะี่นั่นคือกล่องปัญญาเป็นประสบการณ์ตรงๆเลยว่าอ๋อชาตินี้ทําดีอย่างนี้เกิดมารับกรรมดีอย่างนี้ไอ้ส่วนที่เป็นกรรมชั่วยอย่างนี้เกิดมาต้องรับกรรมชั่วยอย่างนี้ ที่เรารีวายไปสู่อดีตเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเรื่องนี้เราจะเห็นเรื่องกฎแห่งกรรมชัดเจนบางคนเป็นอมพาตอยู่ในกรรมฐานนี่เ อ, อน้ำลายไหลเลยเหมือนคนปากเดี่ยวอะไรนะร้องเจ็บเจ็บเจ็บเจ็ บ, จ บ, จ บ, จบพอหมดเวลาแล้วมันหายไปกินข้าวพอมานั่งใหม่มันเป็นต่ออย่างนี้เรียกว่าอุปท า, านไหมมันเก่งนะมันต่ออุปท า, านได้ไ <laughs> อันนี้ มันเป็นเรื่องชัดเจนพวกกูนั่งอยู่ตรงนี้ยี่บห้าปีเนี่ยเราเห็นเรื่องพวกนี้เราไปหลงสร้างกรรมมาทั้งหลายแสนกับเยอะแยะมากแต่จะมาใช้ในชาติเดียวเนี่ยไม่มีทางช่วยเราฆ่าเขาหนึ่งพันคนเราตายชาตินี้ให้หนงคนหนึงก็ได้จ่ายแค่คนเดียวหนึ่งชีวิตต่อหนึ่งชีวิตพระเจ้าไปตัดสู่นะวิธีจ่ายหนี้กรรมทางจิตบางคนปฏิบตัติไปปดิษฐตมานาะยชำนาญนะเอ้ยบางทีชั่วโมงหนึ่งเนี่ย ต า, ตายแล้วเกิดตาแล้วเกิดต้งหลายชาติถ้าเนหนหลายชาติแต่บางทีเนี่ยชาติหนึ่งที่เราทำกรรมหนักเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโม ง, งเราไปหัานมันเราไปยอมรับมันเราสุขเราทุกข์มันเป็นเรื่องใจกรรมดีกรรมชั่วแต่จ่ายไม่หมดหรอกไม่มีทางจ่ายหมดเพราะมันสร้างมาเยอะมากเพียงแต่ว่าเราลดมัน เราก็เพิ่มบารมีฝ่ายกุศลเนี่ยวันไหนที่ตรงนี้มันมากกว่ามันคําว่าตัดกรรมตัดกรรมไม่ได้หมายคือว่ากรรมมันหมดแต่กรรมมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเราจะไม่โง่ที่จะไปทุกกับมันจนกว่าวันไหนที่เราละสังขารนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเวียนไหวใจเกิดในสามโลกกระทานี้แล้วเนี่ยกรรมมันก็ไล่เราไม่ทันเไ็นเรื่องจ่ายหมดไม่หมดเหมือนองค์คุริมานเนห็นไหมชาติสุดท้ายค่ามาเก้า้อยเก้าสบเ้า ถ้าองคุรุมาไม่เพนหนีออกจากวัฏสรงสารก่อนเนี่ยนะไอเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชีวิตนี่อีกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชาติบวกออกับของเก่ามายุกี่แสนกับแล้วยังไงล่ะมันก็เดินต่อไปเห็นไหมเรามีหน้าที่เพนออกจากวัฏสรงสารแต่ช่วงเพนเนี่ยมันก็กำลังขัดอยู่ไอ้เจ้านี่มันก็ทวงก่อนถ้ายัางเหนียวนี่อยู่ผ่านไม่ได้ไงเป็นตัวอย่างนะทุกคนต้องดูนะอย่าง มีอะไรถ้ามีประโยชน์พักกูก็เอามามาม า, ม า, ม, ามาถ่ายให้ดูนะเรื่องหมอยามีอะไรแฝงอยู่ตรงนั้นเยอะเลยไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนี่คือตัวปัญญาไงชาตินี้ก็เขไม่เคยฝึกบอกอาจารย์นะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยมองดูเราไม่เกิดอะไรขึ้นกกบอกกันงงไงทําไมมนุษย์เราเนี่ยเอาวิทยาศาสต์ไม่วิจัยเรื่องนี้มาไปดีศักยภาพเดิมเราเนี่ยเอามาใชา้อันนี้ โยคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเรามีหลากหลายวิชามากอยู่ในนั้นไม่ใช่เป็นแค่มาปฏิบัติเพื่อให้มันพ้นทุกข์เฉยๆนะไอปัญญาตัวนี้เนี่ยเอามาปรับใช้กับชีวิตเราได้มหาศาลแต่ว่านัก ว, วิชสตร์เขาไม่เอาไงเขาช่างตววัดไม่ได้จะให้เขามาคุยเรื่องทําโยคะแบบนี้เขาก็ไม่คุยเขากลัวเขาจะแพ้แอะไรที่เขาทำไม่เป็นเขาไม่คุยกับเราใช่ไหม แล้วก็พูดปฏิบัติมาใหม่ๆอย่าไปหลงติดอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะวิชานั้นวิชานี้นะผ่านมันเราจะมีวิชายิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้าไม่งั้นเราจะแพ้เดี๋ยวไอ้วิชาอะไรไม่รู้เรียกวันนี้อะไรนะฮึเพรา ก, ก็จําชื่อไม่ได้ฮนี่ดัชนีดับไปดับมาจนนิ้วมันงอมันเค็ดแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไหน <c oughs> เดี๋ยวมันทิ้งซะ มันใ่เอาจัเอาเวลาไปนั่งวิจัยวิจัยกี่กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็มีวัชนีอยู่นั่นแหละนะเดี๋ยวตัดมิวติงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปดัดมันเนาะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเราจะเป็นอะไรนะส่วนมันมันเกิดขึ้นนั้นเห็นไหมมันเกิดขึ้นเองหมอยาปรึกษาพ่อครูตลอดพอมันจะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เนี่ยมันทําท่าแปลกแปลกทำท่าแบบ ถ้าในทางเขาเป็นหมอด้วยนะก็บอกว่าอันตรายมากแกบกแกหยุดเลยก็ก็วิ่งไปถามพ่อคู่เมื่อวันก่อนพ่อคูบอกทาต่อไปมันต้องปลดอะไรในร่างกายเราเนี่ยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตรงนั้นให้มันพร้อมไม่งั้นมันจะทําท่าที่พิเศษไม่ได้ไงหลังจากจะไปทําปุ๊บเห็นไหมออกมายังไงมงวยจะไปติดไอ้ชี่ชาดนั้นอยู่มันก็แป๊กอยู่ตรงนั้นนะเรียนรูบ้บรรพเดินผ่านเรามีของเยอะแยะอยู่ข้างในอย่าไป มันแล้วอย่าไปสอนคนอื่นเขาทําเหมือนเราด้วยมันไม่เหมือนกันพวกครูเคยมีประสบการณ์กันมาจะในกาใหม่ๆเนี่ยไปอบรมที่อำเภอภิบูลเนี่ยนักเรียน ม, มยัธยมแล้วก็ผู้ปกครองเขก็มานั่งด้วยนะมีแม่ค้าคนหนุ่มอ้ว น, นเขามานั่งนั่งไปนั่งมาเนี่ยเขาก็หมุนแบบนี้นะเหมือนล่อนแป้งละนะพอเขาวกวนวนวนวนวนวนพอชั่วโมวงเขาเบ า, เบามากใครมาก็บอกเขาล่อนแป้งหมด เขาล่อเขาก็ไม่เข้าไม่ได้เหมือนเราเนี่มันไม่เหมือนกันไงเนี่ยคนเราจำโมโตัวเองได้เึิ่เราหวังดีอยากจะให้เขาเหมือนกันแต่เราไม่รู้คําว่านานาจิตตังมันไม่เหมือนกันนิ้วดัชนีก็นิ้วดัชนีไม่บอกเขาด่นนิ้วดัชนีนะเดินเขาดัดนิ้วเขานิ้วมันหักแล้วทํายังไงเราจะรับประกันไม่เอาไม่เอานะไม่เอานะเออไม่เอาเหยียงทิ้งถึงเราจะเห็นแล้วก็ช่างเพราะเราเก่งมากเลยอดีตเราเป็นเสียนนะ มีวิชานิรัดนดร์ชนีเลยนะเราจึงไม่ได้ไมาเกิดอีกไงเราปฏิบัติเพื่อจะไม่เอาอย่าไปติดเน้ออันนี้เขาเรียกว่าติดตัวรู้นะแล้วข้อต่อไปปฏิบัติแล้วเจอกับสภาวะความตายแต่ปัจจุบันยังเห็นว่าตนเองไม่พร้อมที่จะตายจะผ่านสภาวะนี้ได้อย่างไรก็ตายซะ มันจะยากกันเลยตอนนี้เราเราไม่กลัวเราเราไม่อยากตายมันก็ไม่ไปไม่ได้ไงจะไปสักก็ตายซะคําถามนี่คงรู้นะถ้าเป็นคนถามเนาะ <c oughs> วันนั้นนั่งคุยกันอยู่ <c oughs> พอครูพอครูกำลังจะตายเฮ้ยใจมันเต้นแหลงมาพกพอครูไปตายเลย <c oughs> <c oughs> ทีนี้ก็วิ่งไปตายจะตายจะตายอยู่คนเดียวในศาลาน่ะมันไม่เห็ตายง่ายหรอกเห็นมไหมล่ะบอกบอกย่าหนีนี่นะ อย่าค่ากําไรยเตือนควรนะไม่ใช่อยากตายก็ตายง่ายนะเห็นไหมคาถามก็บอกว่าไอ้ตนเองอยากพ้นทุกข์อยู่แต่เจอสภาวะมันมันจะตายแต่ปัจจุบันยังเห็นว่าตนเองไม่พร้อมที่จะตายจะผ่านสภาวะนี้ได้อย่างไรง่ายมากก็ตายเลยปัญหาก็คือเราไม่ยอมตายไงเออจะทํายังไงหรือว่าครู เรป ม, มายิงอาตั้งตายเราเกิดอีกหลายชาตินะแต่ถ้าเราตายก็มาฐานเนี่ยแหละนั่นแหะสุดยอดเราก็เห็นเลยว่าออกําลังยังไม่ถึงเราก็เห็นเลยว่าอ๋อเรายังมีห่วงอะไรอยู่เราก็ต้องปลดห่วงนั่นใช่คําคว่าเวียงทิ้งอย่าไปกลัวนะเวียงลูกทิ้งเวียงสุดที่รักทิ้งเวียงอะไรทิ้งเนี่ยเวียงทิ้งไม่ได้แปลว่าวางไปไม่ได้แปลว่าเวียงมันทิ้ง เวียความยึดมั่นถือมั่นที่เราไปหลงมันทิ้งวางความยึดมั่นถือมั่นที่เราไปหลงตรงนั้นทิ้งถ้าเราไม่รีบวางนะพอปฏิบัติมาขยันมากขยันที่เราปฏิบัติขยันมากเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันถึงเวลานี้มันจะตายไงแต่เราไม่ยอมตายถึงเวลานั้นแล้วเราจะปฏิบัติทำไมนะคำตอบก็คือว่าจะผ่านสภาวะนี้ได้อ ย, อย่างไรก็คือตายเลย กูมันตายตายจากความทุกข์ถ้านั่งกรรมฐานมันตายได้นี่ยอย่าห่วงนะเดี๋ยวพ่อคูเผาส่ให้สุดยอดเลยนะถ้าตายในกรรมฐานนอันนี้แล้วก็ปฏิบัติมาเราสะสมพลังมาจนวินาทีที่มันจะเกิดผลแล้วเนี่ยไม่เอาผลนั้นเพราะฉันตายยังตายไม่ได้พราะพ่กคูเตือนว่าไปตายเลยนะก็ขึ้นมาดิ่งใหญ่เลยจะให้มันตายมันกลับไม่ตายแล้วถูกมันหลอกแล้วเห็นไหม เวลามันจะตายจริงๆเนีย่ยไม่ยอมเนหะก็สะสมแต้มไปเองหน่อยเนาะสะสมไปํำลังไม่ถึงเมื่อทาไปเราจะสามารถปฏิบัติธรรมให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมไปด้วยกันได้อย่างไรคำถามนี้วันนี้แก้วก็จดมาให้พรอครูพรอครูถามว่าทางโลกไม่ตายมั้ยคำตอบคือตาย มันก็คือทางธรรมและอย่าไปแยกทางโลกทางธรรมผู้เจ้าบอกว่าการเจริญมรรคจิตเนี่ยนุ่งสู่ความพ้นทุกเนี่ยทุกคนต้องมีสัมมาชีวะทางโลกเราหมายถึงก็คือเราต้องมีอาชีพแต่ในที่เราต้องดำเนินอาชีพอยู่เนี่ยมันก็เป็นการเจริญมรรคมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมนอกจากว่าเรามีทางเลือกแล้วว่าเบื่อว่าเหมือนจะเป็นนักมวยนี่แหละมีมีหน้าที่ขึ้นไปเวที พอขึ้นเวทีแข่งขันเสรีเราไม่ชกเขาเขาก็โชกเราเราก็ตั้งใจชกอย่างมีสมาธิอย่างมีสติส่วนชกแล้วมันแพ้มันชนะเนี่ยมันก็เป็นผลพลอยได้อย่าไปทุกข์กับมันแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าชีวิตเราเนี่ยที่เราทําอาชีพมันเป็นธุรกิจสมัยก่อนเขาเรียกว่าการค้าการค้าไม่พอล่ะค้าเพื่อกําไรไม่พอล่ะต้องยิ่งใหญ่ด้วยต้องชนะด้วย การยิ่งใหญ่ของเราคือการทำร้ายคนอื่นกลายเป็นธุรกิจการคา้าตอนนี้ทุกสิมันไม่ใช่สัมมาชีวะแล้วมันเป็นเกมได้เสียเห็นไม้มเราต้องเปลี่ยนอารมณ์ใหม่พอเราคิดว่าธุรกิจเราต้องเปลี่ยนเป็นการคา้าเป็นอาชีพอาชีพอาศัยยังชีพคืออยู่ได้ไม่ตายไม่ใช่ไปเล่นเกมแพ้ชนะเกมรวยกันถ้าอย่างนั้นน่ะ เป็นสัมมาอาชีวะยากมากตราบใดที่เรายังอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ทําทอย่างที่เราเคยชินเคยทําแต่เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ซะให้มีความพึงพอใจกับสิ่งที่เราทําแต่ทําเพราะทำทําเพราะมันเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งในการมุ่งสู่นิพพานคือหนึ่งในมรรคมิยงแปดแต่ถ้าเกิดเรา มีโอกาสรึดจากตรงนั้นได้ไม่ต้องขึ้นเบทีชกเพราะเรขึ้นเบทีชกเนี่ยเราไม่ชกเขาเขาไมชกเราแล้วสุดท้ายเราชนะใช่ไหมยกมือขึ้นก็เกือบตายเหมือนกันแพ้ก็เจ็บชนะก็เจ็บถ้าเป็นการแข่งขันยังไม่แพ้ยังชนะก็รุน แ, แต่ยกแรกยกสุดท้าย ล, ล่ะเกลี้ยไปหมดอันนั้นไม่ใช่สัมมาชีวะเราต้องเปลี่ยนหน้าที่การงานเราเนี่ยให้เป็นสัมมาชีวะไม่ใช่เป็นการแข่งขัน เขาจะแข่งก็แข่งเขาเราทำให้มันดีที่สุดเราไม่ได้แข่งกับใครเห็นไหมทำแล้วได้ปุ๊บดีใจก็ถูกแล้วโลกิยะก็เป็นอย่างนั้นทำแล้วเสียก็ดีใจเอาเสียดีใจได้ยังไงแล้วทำไมต้องเสียใจละ่ะเราต้องดีใจอย่างยิ่งเราเสียนั่นเราได้ประสบการณ์อย่างยิ่ง เราเรียนทำไมตั้งแต่อาุบาลจะถึงปรยาตีโทเอกเรียนเพื่อหาเอาความรู้ไงเมื่อเราเสียเราพลาดแล้วเนี่ยเป็นความรู้อย่างยิ่งทําไมต้องเสียใจต้องดีใจมันเป็นประสบการณ์อย่างยิ่งอันนี้ไม่ใช่กิเลสเราชอบ ว, ว่าถ้าได้เราก็ดีใจพอเสียมันก็เลยเสียใจไงอันนี้ทั้งหมดคือเราไม่เข้าใจชีวิตแล้วบอกอยู่ทางโลกอยู่ทางธรรมก็ทางเดียวกันนั่นแหละคือตายเหมือนกัน กิเลสมันอ้างเฉยเฉยฉันอยู่ทางโลกเขาอยู่ทางธรรมอย่าพูดมากอย่าไม่ยึดมั่นฉันเพราะกิเลสมันกลัวมากทางเดียวกันตายคือความจริงคือทางธรรมความตายคือธรรมชาตินอกจากว่าวันไหนเรามีทางเลือกนะแล้วก็เปลี่ยนอาชีพใหม่นี่ไม่ชี้นี่ก็อาชีพหนึ่งไม่ชี้นักบวชไงอาชีพนักบวชไงเขาก็อยู่ได้เห็นไหม แต่ถ้าไม่ชีวชลาดมีปัญญาต้องไม่ได้อยู่ได้เฉยๆนะต้องอยู่ดีดีกว่าอาชีพเก่าดีที่สุดก็คือต้องทำมันพ้นทุกวันที่เขาเกิดอาการระเบิดจากเที่ยงคืนถึงตีสามนั้นแล้วเนี่ยพอกูไม่ได้หลับไม่ได้นอนสามคืนสี่วันมันไม่ง่วงมันไม่หิวแล้วมันก็หลับตาก็สว่างลืมตาก็สว่างไม่ต้องนอนไม่ต้องกินก็สุข พอ ว, วันที่สี่เขาตื่นแล้วพอกูก็เดินไปห้องน้ำมันก็หมุนอีกแล้วก็กลัวลมล้วก็นั่งไปข้างล่าก็เบิดอตุอ้มอีกตอนนี้แสงนั้นก็หายไปพอกกูก็เดินทางไปบริษัทเคลียร์งานให้เขาเสร็จไปร้านอาหารที่เราต้องรับผิดชอบให้ผู้จัดการมันดูแลพอ ก, กูอยู่บ้านเฉยๆปีหนึ่งแต่ธุรกิจมันก็ยังเดินไงแล้วรายได้เขาส่งมาให้เรามากกว่าที่เราคุมเองอีก เพราะมันนืออาชีพเห็นไหมเราก็ยังอยู่ในทางโลกอยู่มันจะฉลาดขึ้นในที่ผ่านมาระวางไม่ลงไงกลัวน่นกลัวนี่กลัวมันรั่วไหลอะไรเนี่ยนะเออก็ไปรักษาตรงนั้นแหละเครียดแต่ตอนนี้เพราะเราไม่ทำเองเนี่ยให้คนมืออาชีพไปทำบอกว่าเออมันร่วมันก็ร่วอยู่ในลูกน้องแล้วนะ่ะมั น, ม, นมันก็ได้ประโยชน์นะและสุดท้ายรายได้มากกว่าเก่าอีกไม่ใช่ เ, เลกนะแต่เราจะชารฉลาดว่า ทำอย่างไรก็ตัวอย่างพระครูเอ่ยชื่อก็ได้เนยคุณวนิดาสันซื่อคลินิกทีไอเอสซีกันเนี่ยใหญ่ที่สุดในเอเชียอยู่ตึกอื้ชื่อเหลี่ยมยิงเลสิกก่อนไม่เจอเพระครูเนีน่ยเครียดมากเพราะเขาต้องการเด e b เบสตต้องเป็นที่หนึ่งถ้าคนงานคนไหนในพนัก ง, งานคนไหนมันปุ๊บเรียกเข้าห้องปุ๊บ ยกคุณหมอเอกกเทศเดินมาออกหรือยัง <c ười> คือเข้าผมประโยชน์เขาเป็นที่ตั้งถ้าเธอไม่ทําได้อย่างนี้เนีบุ๊ออกไปแล้วตัวเอง ก, ก็เครียดจริงๆแล้วไม่อยากทําอย่างนั้นแต่เนื่องจากว่าเป็นห่วงงานไงแต่ถ้าไม่มีแกวันนี้ทีอายซี่ก็ไม่มีอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคได้อะไรนะได้รางวัลดีเด่นเรื่อง ISO ISO พวกคูปีแรกก็ไปเขาก็เดินาให้พวกคูไปเดินวม่าเขาทำงานยังไงพวกกูเคยทำงานระดับโลกผว่าเออระบบจัดการงานอย่างนี้ไหสมควรได้ไอเอโแต่เป็นไอเอโซึ่งไรวิญญาณเหมือนตอนนี้เราเข้าไปร้านสะดวกซื้อกิ้งกองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะไม่มองหน้าเราเลยนะมาถูกราคาไม่เู่ที่นี่ก็เหมือนกันทุกคนเครียดหมด แต่ได้รางวัลดีเด็ดทีนี้พ ก, กูเข้าไปที่นู้นเกือบสองปีนะเดือนหนึ่งพร ก, กูเข้าไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายพรร ก, กูประกาศว่าพกูไม่ไปไหนแล้วคุณเล็กก็ต้องส่งพนัก ง, งานแกมาเข้าค่ายที่นี่เห็นไหมสองครั้งเหมือนนะสองครั้งใหญ่ก็คือครั้งหนึ่งเก้าสิบเก้าคนแล้วก็ย่อยๆก็ส่งผู้บริหารมาเป็นกลุ่มๆตอนนี้บริษัทเขาเย็นและคุณเล็กไม่ต้องบริหารเลย แต่ยอดขายไม่ได้ตกที่ผ่านมาเรากังวลมากเกินเหตุสั่งการไปแล้วยอมคิดเลยถูกหรือเปล่าวะจนนอนไม่หลับวะเนะเราไม่ว่าไงเมื่อจิตเรามันมีปัญญาแล้วเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจมันใช้ปัญญาพิจารณาตัดสินใจไปจบ อ, อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดชีวิตก็ดีขึ้น คนทำงานก็ไม่ต้องเครียดผู้บริหารก็ไม่ต้องเครียดเห็นไหมเพราะแกทําจริงนั่งเครื่ินมาเลยละ่ะอยู่บนน่ะแล้วมาเข้าไขา่อาทิตย์นึงปิดคลินิกเขากล้าทําไงถึงจะปิดคลินิกเขช่างแต่โดยเฉลีย่ยเนี่ยรายได้มากกว่าเก่าเพราะมันฉลาดแล้วไงเคยมีคุณหมอผู้บรหารเหมือนกันตอนนั้นคุณหมอปิดคลินิกนั้นไม่ได้เสียคนไข้แต่พระเบียงทิ้งเดี่ยวทิ้งแล้วเนี่ย ตอนนั้นนบบคิดถึงว่า ก, กูก็ปิดมาเลยแต่เขาฉลาดแล้วก่อนที่เขาจะมามพุ๊บก็นักคนไข้ไปวันอื่นคนไข้ไม่ลดและตัวเองก็มีเวลาปฏิบัติธรรมเห็นไหมคาตอบก็คือว่าไปด้วยกันได้เพราะทางโลกกับทางธรรมก็ทางเดียวกันคือตายเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะตายดีหรือตายชั่วเท่านั้นเองนะอย่า ก, กังวล เคยทาแบบไหนก็ทําแบบเก่านั่นแหละอย่าไปคิดว่าเออเออฉันเบื่อมันมาอะไรเนี่ยเบื่อแล้ววางได้หรือเปล่าละ่ะเห็นไหมเขาจะตายปฏิบัติเพื่อจะให้มันตายพลที่ตายจริงๆก็ตายไม่ลงนะแบบเดียวกันอย่าเพิ่งคิดอะไรล่วงหน้าทําไปพร้อมๆกับบางค น, น, นว่าเออเพื่อนพ่อคูนะหลายปีก่อนอรุ่นเดียวกันนั่นแหละตอนนั้นหกสิบปีจ ะ, กะเกษียณไง เป็นทั้งไนพลเป็นทั้งเศรษฐีเป็นทั้งนักอะไรหลายๆนักนะนะก็ยกทีมาก่อนที่จะถึ ง, ถงอายุห0สิบมันก่อนหน้าเนอายุห้าสกว่าเนี่ ย, ยวนะพวอครูมาเมืองไทยแล้วนะมาฟังบรรยายบอกเอ้ ه, ชอบมากเลยเอาไว้หลังเกษียณจะมาปฏิบัติพ่อครูบอกไม่ได้เช่นะเธอจะรู้ได้ยังไงเธอจะตายหลังเกษียณลังมาเอาว่าเราพร้อมนี่ไ ม, ม่พร้อมดอก เห็นไมพอเกษียแล้วก็หายหน้ากันหมดเลยไม่มีมาเลยเห็นไมแล้วบางคนตายก่อนเกษียณผู้เจ้าบอกอยากประมาทไงไอ้คาว่าพร้อมในทางโลกไม่มีวันพร้อมคนที่หนึ่งถึงสิบหลรวยที่สุดหนึ่งถึงสิบของโลกก็ยังไม่พร้อมยังไม่หยุดเลยยังไม่สำเร็จเลยเพราะเขายังไม่เสร็จไม่ใช่ว่าทีนั้นก็มาตรงนี้ มาตรงนี้ยังห่วงคนนั้นอยู่เนี่ยมันก็ดึงมันไปหนึ่งมาแล้วหลอกคนอยูด่ด้านเราหลอกจิตเราไม่ได้นะถ้าตาบใดยังมาไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้นแหละเหมือนเคยคนเคยกินเหล้าเนี่ยพ่กครูบอกทำสายกลางวันหนึ่งเบียร์กินสี่ขวดลดโดยสองขวดอะไรเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> ชั่วขึ้นหนงดีขึ้นหนึ่ง <c oughs> มันไม่ใช่สายกลางแบบนั้นนะแต่ว่าอย่าบังคับเลยเคยทําแบบนั้นก็ทําไปเถอะใครเคยกินอย่าไปหยุดนะ กินแต่ปฏิบัติหน่อยปฏิบัติแล้วแล้วสมัครหนึงเดี๋ยวมันจะเลิกเองแต่นี้ไม่ใช่เอาสินมาบังคับเรามือถือปากปากถือสินถือถื อ, ถอดุดดคนยิ่งถือสินก็โผลไปทําความชั่วนเนี่ยเลวร้ายอย่างยิ่งเวนรู้แล้วยังสู้ตัวอยากไม่ได้ไปทําเนี่ยโดนโดนทษบสองสองต่อเห็นไหมแต่ที่บอกว่าแนวทางพ่อครูเนี่ยมันไม่มีแนวทางพ่อครูไม่เคยตั้งแนวทางเลยแต่จะเล่าประสบการณ์ให้ฟัง พราะครูเลิมจากพระครูไม่เคยเรู้ว่าสิ่งมันคืออะไรรู้เคยสอบอยู่สิ่งห้ามีอะไรบ้างนะแต่ไม่เคยทําตามเขาเลยนะบอกไม่ให้ทําไปทําหมดไงแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องเรียนแบบพระครูนะมันไม่เหมือนกันอย่าไปเรียนแบบองคุริมาณ น, นะไปฆ่าเขาก่อนเอ้อองคุริมาณมันฆ่าคนเก้าสิก้ามาถึงบรรลุเดี่ยแล้วก็เอาบ้างเหนือฆ่าแค่คนเดียวก็ติดคุกแล้วเนาะ มันไม่เหมือนกันแต่ชี้ให้ดูว่าอย่าไปยึดติดยึดมั่งกับไ อ, ไ อ, ไอ้รูปแบบอะไรมันตายตัวนะเราจะพลาดโอกาสเดินไปสายการพอดีพอดีไม่ต้องเคร่งเครียดเกินไปไม่ต้องย่นยานเกินไปทำไปเรื่อยๆเออทำมาหากินก็ทำไปฝึกจิต ก, ก็ฝึกไปนะแต่ที่เคยทำก็ทำไปแต่อย่าอย่าห ย, ยุดฝึกนะฝึกจิตไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเปลี่ยนเองเพราะครูเคยพยายาม หักดิบเลยนะไอ้เหล้าเนี่ยง่ายบางคนเหล้าเนี่ยมันมันดุเองม่เกิดเหตุอะไรไม่รู้ล่ะมันจะตายนั่นแหละมันหายใจไม่ออกไงละมันก็หยุดกินเหล้าเลยนะแต่บุรีเนี่ยากมากเพราะมันละเอียดมากเลยพยายามหยุดสี่ครั้งปรึกษาหมอแล้วเอาไปนอนตายหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แต่พอมาระเบิดปุ๊บสูงไม่ได้มันเหม็นไง พอจิตเราบริสุทธิ์แล้วนี่แหละครับคุณทิพตาทิพลิ้นทิพภโกยเนื้อก้อนหนึ่งไปไปซ่อนไว้ในห้องนี้นะสุนัขมันรู้นะพอจิตมันออกมาร้อยหนึ่งมันรับได้ร้อยเลยเพราะจิตมันสะอาดมันออกมาร้อยหนึ่งจิตเราเพื่อนมัรับได้แค่สิบเปอร์เเหม็นแล้วก็บอกว่าหอมไงแต่พอเราเบื่อทุบหนึ่งมันรับกลิ่นนั้นไม่ได้เลยมันหยุดทันทีเนาะ แต่นแหะที่ว่าหูทิพตาทิพเวยมันก็เป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่สิ่งวิเศษวิโสอะไรมันเป็นธรรมชาติแต่เนื่องจากเราไม่เคยพบกันย่าลบอกว่ามันมหัศจรรย์มันแตกแล้วก็ไปหลงติดมันอีกก็แตกเราจะเป็นผู้วิเศษทันทีเลยแต่เราจะไม่มีวันพ้นทุกไปกอดความพิเศษนั้นและแล้วก็เกิดอีกแล้วก็มาฟื้นฟูวิชาพิเศษอีกแล้วก็ไปหลงมันอีกแล้วก็เกิดอีกสนุกดีเนาะ เอามไหมถ้าไม่เอาก็ทําต่อไปเถอะให้โอกาสแล้วนไม่ฉวยไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช้โอกาสนี้เนี้ตัวใครตัวมันนะก็วันนี้ก็เก็นเกินิดนึงคุณหนูก็แลกเปลี่ยนพระครูว่าเอ๊ะมันต้องมันต้องคิดมันต้องใช้ใช้ว่าปุงแต่งเนะี่ยคําว่าปุงแต่งก็คือว่ามันมันปรุงเอาไม่ใช่ธรรมชาติเพียงแต่ว่าเรามีสติเพราะเรารู้ธรรมะเราโกรธแล้วว่า อ, อย่ากโกรเธเถอดเนาะให้อภัยเถอดช่างหัวมันเถอด มันเหมือนดีนะมันไม่ได้ชั่วร้ายอะไรมันดีกว่าเราไม่เห็นตัวโกรธนะสมัยก่อนเราโกรธปุกบมันก็โกรธตามมันเลยก็สร้างวกิกิกรรมไงแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วนี่เราเบรกมันได้เราไม่สร้างแต่เราบอบช้าแล้วเหมือนแล้วก็คุยวันนี้แหละไอ้คานี้คํายอดชิดเลยแต่ต้องพูดบ่อยๆคานี้นี่ต้องช่วยกันเอาไปคิดนะะทุกคนก็รู้ว่าไอ้คํานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องทฤษฎีปัจญญาของชาวตะวันตก เขาจึงทําอะไรสําเร็จมากกว่าเราในแง่วัตถูนิยมเดกัสเขาบอกว่า I think t h e r e for I am ฉันคิดฉันจึงมีตัวตนเขาก็เลยว่าความคิดมีสําคัญมากคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นคนทุกวันนี้เนื่องจากความอยากก็เลยบอกต้องคิดบวกสิถ้า อ, อยากคิดลบนะเห็นไหมจริงจริงไล่คําว่า I think t h e r e for I am เนี่ยคำตอบมันมีในตัวอยู่แล้วคุณคิดคุณจึงมี เราต้องแก้ที่โดยเราไม่ต้องคิดเราก็ไม่มีแต่ความอยากมีเราเนี่ยเรื่องอะไรไปคิดให้มันไม่มีไปไม่คิดให้มันไม่มีเราต้องคิดบวกดีกว่าคิดบวกนี่แหละก็เหมือนว่าเราถูกด่าเราเจ็บแล้วเราโกรธแล้วแต่เราคิดบวกว่าเออช่างหัวมันเถอะอันนี้แก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าแค่เราไม่สร้างกรรมแต่มันคือปลายเหตุมันเหมือนยาพลารารักษาปวดชั่วคราว แต่ทำไปเรื่อยๆเราจะดิ้วยาเพราะไอตัวสะสมโกรแล้วเนี่ยเกอดชั่งมันเถอะเดี๋ยวโกรธอีกก็ตอนน้องโกรธสิบกิโลเพราะโกรธครั้งที่สองยี่สิกิโลครั้งที่สามสามสิกิโลตอนนี้ชั่งมันเถอะไม่ได้แล้วเพราะมันแรงกว่ามันจะระเบิดถ้าเราแก้ตามทฤษฎีพระเจ้าไอติ้ง t ด่ฝอยไอตอนนี้ภาษาอังกฤษพวกครูโยนน้ามหมดบนก็ถางอาจารย์อ้อยว่าพวกครู เอากลับกันนะ I am therefore I think เนื่องจากมีฉันฉันจึงคิดอาจารย์น้อยบอกว่ามันไม่ตรงไวยากรณ์ I exist นะ therefore I think เมื่อเรามีตัวตวนเราถึงคิดถ้าตัวเราไม่มีใครจะเป็นคนคิดมันต้องแก้ที่ฆ่าตัวเราเองที่ไอ้ตัวไอ้นคนมันชอบคิดกันออก มันคือแก้ที่ต้นเหตุแต่ตอนนี้เนี่ยเราแก้ที่ปลายเหตุหมดคิดบวกบ่อยๆมันก็เหมือนยาพาราเราดูยากินเม็ดหนึ่งไม่พอต้องสองเม็ดสามเม็ดแล้วก็ไอ้เชื้อที่เรากรปล่อยมันกระทบก่อนมันกระทบแล้วค่อยชั่งมันเถอะช่างมันเถอะแรกๆก็ได้นะแต่พอมันลุกตโตัวแล้วมันช่างไม่อยู่แล้วมันระเบิดตู้ออกมาเลยฆ่าคนก็เอาตรงนั้นบอกกูยอมมึง้งหลายครั้งมึงจะเอาอีกเถอต้นดับที่ต้นเหตุของมัน ถ้าตัวเราไม่มีล่ะใครจะเป็นคนโกรธละ่ะใครจะเป็นคนถูกด่าละ่ะและใครจะเป็นคนคิดละ่ะอันนี้แก้แบบเบ็ดเสร็จมันมีประโยชน์มันเป็นตายเหตุแต่มันมีโทษมหาหันเลยแรกๆก็จะเป็นใช้อุบายยกตัวอย่างว่าในวัดแห่งหนึ่งหลวงตาท่านก็ใช้อุบายว่าน้ำมนต์ท่านศักดิ์สิทธิ์มากปล่อยข่าวออกไป คนนี้ก็แท้สองสารเลเช่นบางคนมาปุ๊บถูกน้ำมนต์ปุ๊บมันเป็นไข้มันหายเลยนะก็ไปเล่าสู่กันฟังว่าดีจริงๆคนก็เข้ามาปุ๊บท่านก็ให้น้ำมนต์พอเราศรัทธาเราเปิดจิตปุ๊บเห็นไหมท่านก็เทศให้เราฟังให้เราเกิดปัญญากับบ้านอายุสิบลูกหานั่งอยู่ข้างเห็นเออหลวงตาน้ํามนต์ศักดิ์สิทธิ์จริงๆคนนีงมายิ่งเยอะขึ้นพอหลวงตาจากไป ลูกศิที่ขายน้ำม น, นเลยไม่ได้ผลที่เขาได้ผลเนี่ยเพราะเขาศรัทธาเมื่อศรัทธามันจะเกิดอุปทานอย่างหนึ่งพุมงคุ้มกันมันเกิดเไล้ที่ยินข่าวหลวงพ่อคูณ อ, อยู่เรื่อยนะอ่านอยู่เรื่อยโอ้หลวงพ่อคูณศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเราเชื่อพอวันใดวันหนึ่งเขาพาเราไปหาหลวงพ่อคูลเราไม่สบายนะเห็นหน้าหลวงพ่อคูณเนี่ยขนลุกสู้เลยคุ้มคุ้มกันมันเกิดนะหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต พอเลี้ยงแถวให้ตีหัวป๊กหายเลยมันเป็นอุปทานอย่างหนึ่งอุปทานดับอุปทานแต่มันคือยาพาลามันไม่ใช่ไ ม, ม่มีประโยชน์มีประโยชน์แต่ถ้าเราไปหลงมันเมื่ อ, อไหร่นี่มันเป็นโทษมหาเลยเราจะไม่มีวันเข้มแข็งเราจะพึ่งมันตลอดสมมติว่าเจ็บใจพป ก, กูเคยเจอแล้วที่นี่โทรมหาปุ๊ก โทมาหาแก้วจะตายจะตายจะฆ่าตัวตายนะมีสมุรสาคอนะถางถามว่าต้องไปเดี๋ยวนี้ไม่ไปเดี๋ยวนี้จะฆ่าตัวตายผมมาถึงปุ๊บนี่พูดอะไรไม่รู้นะเพราะกูเห็นจิตไหมา น, า, นาจิตตําเต้นเต้นเ ต, แ, ต, แ, ต, แ, ตแล้วก็ไปเชียร์เชียไม่ให้เขาไม่ให้เมีเวลาคิดนะพอมันสารนเต้มันหลุดออกมาจากอารมณ์นั้นน่ะหยุดฆ่าตัวตายเลยเวลานั้นบอกให้เขาคิดบวกได้ไหม คิดปวดคิดปวดเขาอย่าไปคิดลบเลยเขาจะฆ่าตัวตายจะไปคิดปวกมันคิดได้หรือเปล่า <c oughs> มันฆ่าตัวตายก่อนดึงมันออกมาจากอารมณ์นั้นเมื่อเขาเห็นแล้วเขาศรัทธาแล้วไงเขากลับไปเขาปฏิบัติทุกวันก็ส่งข่าวมาตอนนี้เขาไม่คิดฆ่าตัวตายแล้วแก้ที่ต้นเหตุแต่ตอนนี้เราไปแก้ที่ปลายเหตุตลอดเราไม่มีวันเข้มแข็งปวดหัวก็วิ่งหาหมอ วิดหนึ่งก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไ ป, งไปพราะครูเคยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพราครูไม่ใช่นักเลงนะตอนพ่อครูเล่นการเมืองนักเลงเรียกพวอครูเป็นพี่แต่แต่นักเลงเรียกพี่เนี่ยเราคิดว่าเราเข้งแขนไม่หรอกพระแขวนคอเนี่ยแพงแค่ไหนก็ไปเช่ามามาแขวนถ้าวันไหนลืมมาบอกไปเนี่ยกลัวตาย <c oughs> พอระเบิดปุ๊บเนี่ยเชิญอันเชิญพระอยู่บนหิ่ง ตอนนี้พระมันฟื้นแล้วพระอยู่ในภูเขาจิตก่อนนั้นตัวผีจะไม่ให้นอนป่าช้าที่ไหนก็ได้เห็นไหมนี่คือพึ่งตนเองไงอันนี้เราไม่เคยเข้มแข็งเลยพึ่งศิษศักดิ์ศิษ์พึ่งโน่นพึ่งนี่มันขัดแย้งกับคำสอนของท่เจ้าอัตตหีอัตโนนาโถตอนนี้แลย่อมพี่พี่พึ่อนตุนและกระทั่งครูบาอาจารย์ ตันยัไม่เข้มแข็งก็เกาะไว้นอนอย่างเราศรัทธาเกาะไว้เพื่อกันหลุดแต่สุดท้ายต้องเหวี่ยงคูบาจานที้ไม่งั้นเราจะไม่มีวันเข้มแข็งนะศรัทธาแบบหลงนไงายเนี่ยมันไม่ไปไหนแต่ละวแล้วเลยไม่เข้มแข็งแล้วก็เออเกาะไว้ก่อนนะถ้าไม่ศรัทธาเราหลงอยู่ก็ไม่มีใครตือนเราเราก็ก็ไม่ฟื้นถ้าเรารู้ว่าเราหลงเราก็ไม่หลงไลถ้ามันไม่รู้แล้วมันถึงหลงไง ละต้องพึ่งศรัทธาก่อนแต่อย่าพึ่งนานต้องรีบให้ตัวเองแข็งแรงไม่ต้องไปหาพระที่ไหนพระอยู่ในภูเขาจิตเรียบร้อยแล้วทุกดวงจิตมีพุทธกิจอยู่แล้วเข้าไปหาเขาเมื่อเขาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ต้องพึ่งพระศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนหรอกเราเป็นพระแล้วนะก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อน ถ้าพ่อคุณไม่หยุดทันทีมันก็ไม่หยุดนั่นแหละแล้วเราจะได้ปฏิบัติกันเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านหลายในส า, นากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทิญ